อันพระพุทธเจ้าจึงเป็นยิ่งกว่าพ่อแม่สำหรับพ่อแม่ทั้งหลายก็เห็นว่าอะไรที่สมควรที่จะให้ลูกก็สแสวงหาสิ่งเหล่านั้นเพื่อลูกแต่สำหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยยิ่งกว่านั้นหลายร้อยเท่าเพราะพ่อแม่ทั้งหลายโดยมากก็ประโยชน์โลกนี้บางทีโลกนี้ก็ประโยชน์ไม่กี่วันไม่กี่เดือนแล้วก็ไม่กี่ปี น, นะพ่อแม่ที่ฉลาดที่สุดก็หมายวางแผนระยะยาวไปถึงลูกของลูกเลยไปอีกโน่นนะ่ะแต่ถ้าหากว่า สำหรับพระพุทธเจ้าวางแผนช่วยสัตว์ทุกคนนั้นน่ะทั้งประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งโดยการแสดงพระปริ ย, ยติธรรมอันปริ ย, ยติธรรมนั้นผู้ใดรังเกียจปริยัตก็เท่ากับรังเกียจพระพุทธเจ้ารังเกียจพระองค์รังเกียจพระพุทธพจน์ถ้ารังเกียจคำสมมติว่าเราเกลียดคําของผู้ใดก็แสดงว่าเราเกลียดคนนั้นด้วยถ้าเราไม่ชอบปริยัติธรรมก็แปลว่าเราไม่ชอบพระพุทธเจ้านะ ถ้าเราเลื่อมสายในปริยัติธรรมเท่ากับเราเลื่อมสายในพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าผู้ใดที่ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าถึงที่สุดแล้วนะสมัยพุทธกาลมีพราหมณ์คนหนึ่งก็บอกว่าหลังจากที่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่รู้จะไปห า, าศาสดาแพะที่ไหนอีกนะเพราะค่อยคําของบุคคลอื่นก็เหมือนกับคําของแพะพูดเท่านั้นเองก็ไม่ได้ว่ามีประโยชน์อะไรมากมายอันนี้เป็นคําของพระอริยะนะท่านพูดอย่างนั้น คือเหมือนกับว่าพอได้ดื่มน้าผึ้งแล้วก็ไม่รู้จะไปดื่มอะไรไอรสเจื้อนเจือนจืดจืดทั้งหลายให้มันมีคือหมายความว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วเนี่ยนะเหมือนในตอนกลางวันที่มันสว่างด้วยดวงอาทิตย์อยู่แล้วก็ไม่รู้จะไปเทียวแสวงหาแสงหิ่งห้อยไปทําไมนะแสวงหาแสงหิ่งห้อยไปทําไมเอาแสงหิ่งห้อยมาเพื่อประโยชน์อะไรสําหรับคนที่ศึกษาเข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงมีอจลัสศรัทธา มีศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธรัตนะมีศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธเจ้าเพราะอย่าลลมว่าผู้ใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้นั้นจะเลยไปเลื่อมใสในพระธรรมเลยไปเลื่อมใสในพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนั้นพระองค์นั้นจึงเป็นผู้ที่ไม่มีผู้ใดมีค SI ุณยิ่งไปกว่าอีกแล้วนะไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่าอย่างมากก็เท่ากันคือพระพุทธเจ้าที่เคยมีมาแล้วในอดีตเท่ากันกับพระองค์ หรือพระพุทธเจ้าที่มีในอนาคตก็จะเท่ากันกับพระองค์ด้วยศีลสมาธิตัญญาวิมุตติวิมุตติยาทัศนะจะเสมอกันด้วยพระพุทธคุณน่งหลายนะจะเสมอกันเท่านั้นไม่มีใครยิ่งกว่าเลยพระองค์นั้นทรงทราบธรรมเป็นที่พ้นจากทุกข์เรียกว่าโลกุตรธรรมธรรมที่นำออกจากโลกนำออกโลกก็คือทุกข์นั่นแหละโลกุตรธรรมก็คือธรรมที่พ้นจาก ทุกพระองค์รู้ว่าไอความพ้นทุกนี่คืออะไรคิดง่ายๆอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าใครรู้วิธีชำระนี่ให้เราเนี่ยนะแล้วชำระให้เราได้เนี่ยเราสบายใจไหมหรือถ้าเราป่วยแล้วบอกว่าช่วยให้เราหายโรคได้เราไม่สบายใจและช่วยให้เราสบายใจได้เรามีทุกช่วยให้เรามีความสุขแล้วไม่ต้องหวนกลับมาหาทุกขได้อย่างเดียวเนี่ยนะโดยที่เรากว่ารู้จักสุขแล้วไม่ต้องวนกลับมาหาทุกขอีกต่อไป สิ่งนั้นดีหรือไม่บอกฉันได้นั่นคือสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะนั่นคือสิ่งที่พระองค์รู้เมื่อรู้แล้วก็ไม่อุบไม่เก็บเอาไว้แต่ภายในเรียกว่าด้วยอำนาจมัฉริยะว่าความอัศจรรย์จงมีแต่เราแต่เพียงผู้เดียวบอกไม่มีพระองค์ไม่ได้เก็บอันนั้นเลยกลับประทานแบ่งให้เขาแบ่งให้เขาได้รับ ประโยชน์ประทานให้เขาได้เป็นพระโสดาบันเขาจะได้ปิดอบายทุกขติวินิบาตนารกได้เขาจะได้พ้นจากทุกขติโดยประการทั้งปวงความทุกข์ที่เขาหมดไปเนี่ยนะเหมือนกับแผ่นดินเขาเหลือทุกข์อีกแค่อะไรเหลือเท่ากับเมล็ดถั่วเขียวเจดเม็ดหรือเท่ากับเมล็ดงายเจดเม็ดเท่านั้นเองอะนะเหมือนกับว่าปกติแล้วมีแผลเต็มตู้ไปหมดเลยนะเฟะไปทั้งตัว โปร่งรักษาให้เหลือสิว7เม็ด น, นะนะเหลือถ้ากับสิวอะไรสิวเซียนกค่เจ็ดเม็ดเนี่ยถามมาแม้ดีขนาดไหนฉันได้พระโสดาบันก็รักษาโรคภัยได้ชั้นนั้นและพระสกท า, าคาเมียดีกว่านั้นอีกยังไงช่วยให้เขาพ้นจากทุกในที่สุดช่วยให้ถึงบรมสุขจริงๆเรียกว่าเอกันตสุขสุขที่ในมรรคผลนิพพานเป็นสุขที่สูงสุดนั้นพปร่งก็ประทานทําอันประเสริฐเหล่านั้นให้เขา ประทานโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลให้บางท่านสำหรับผู้ที่มีบุญวาสนาขณะเดียวกันปลูกฝังอุปนิสัยให้อีกหลายท่าน น, นะคือบางคนเนี่ยนะยังไม่มีบุญวาสนาที่จะได้โลกุตระธรรมทันทีพระองค์ก็ปลูกฝังอุปนิสัยให้เขาได้รับโลกุตระธรรมบางคนก็คู่ควรที่จะได้รับโลกุตระธรรมคู่ควรที่จะได้เป็นพระโสดาบานันพระองค์ก็ประทาน โซดาปฏิมักโสดาปฏิผลให้เขาบางคนคู่ควรที่จะเป็นพระสะกทาคามีพระองค์ก็ประทานให้เขาบางคนคู่ควรที่จะเป็นพระอนาคามีและก็สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ได้พระองค์ก็ประทานให้เขาเรียกว่าประทานโลกุตรธรรม9้าอันประเสริฐก็คือเปิดเผยให้เขาเห็นอ ม, มะตะนิพพานเนี่ยนะให้เขาเห็นนิพพานโดยการแทงตลอดอริยสัจ ธ, ธรรมนัม้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่นามาซึ่งโลกุตรธรรมก้า นำมาซึ่งอริยมรรตอริยผลนิพพานแก่สรัพรพสัตว์ทั้งหลายขณะเดียวกันพระองค์ก็ประกาศโดยทำไม่ให้เป็นข้อลีลับเป็นแง่เป็นปมเป็นปุ่ ม, เ ป, ปมเป็นตะปุ่มตะป่่มเป็นต้นไม่มีเปิดเผยทำให้ง่ายทำให้ตื้นง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้แล้วแต่ก็ง่ายง่ายที่สุดไม่รู้อะไรจะดีเท่านี้อีกแล้วเนี่ยนะ แต่ถ้าเทียบหมายก็อย่างว่าเอาแล้วคนบุญน้อยทั้งหลายบอกมันยากจังเลยบอกยากก็มีอยู่อย่างเดียวคิดถึงพระพุทธเจ้ามากๆแล้วจะเข้าใจในสิ่งที่พระองค์สอนบางคนมีความรู้สึกว่าพระธรรมของพระองค์นี่ช่างลึกซึ้งแท้บอกจำไม่ลึกลึกก็จริงอยู่เหมือนกับว่าปราศาทต์ช่างสูงแท้แต่ถ้าเราขึ้นตามพระพุทธเจ้าแล้ ว, วเราจะขึ้นสูงนเองชั้นใด ถ้าทำของพระองค์เนี่ยนะเป็นสิ่งที่กว้างขวางก็จริงแต่ถ้าเรามองตามที่พระองค์พามองเราก็จะเห็นเราอย่าไปเรียกว่าอย่าไปทําแบบลําพองแหมระดับเราแล้วแหมไม่เอาแล้วพระพุทธเจ้าบอาอย่าไปคิดอย่างนั้นของเราต้องเดินตามแล้วเราจะเห็นตามแล้วเราก็จะรู้ตามถ้าเห็นตามรู้ตามเราก็สามารถที่จะตรัสรู้ตามถ้าเข้าใจพระธรรมได้น้อยแสดงว่าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าไม่มาก เราจะเข้าใจพระพุทธเจ้าได้มากเข้าเข้าใจพระธรรมได้มากโดยการที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้มากเท่าไร่เราจะเข้าใจพระธรรมมากเท่านั้นดังั้นอย่ารังเกียจอย่าเบื่ออย่านายในการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเพราะพระธรรมเป็นของพระพุทธเจ้าเมื่อพระธรรมเป็นของพระพุทธเจ้าถ้าเราหวังจะได้ธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เคยตรณีพระธรรมแม้แต่นิดเดียว เพราะฉะนั้นถ้าเราใกล้ชิดพระพุทธเจา้าพระองค์ให้เราหมดแล้วไม่ต้องห่วงแล้วขอให้เข้าใจอย่างที่พระองค์ประสงค์เราก็จะได้มรดกของพระองค์พระค์ไม่เคยตรหนีเลยพระองค์บอกว่าเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมธาญาตของเราตถาคตเถอะพระองค์หวังที่จะให้พวกเราเนี่ยได้รับหวังให้เราเป็นธรรมธาญาติและก็ไม่มีอะไรตรหนีอยู่ในใจปิดบังอัมพรางเร้นลับลี้ลับแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีเมื่อไม่มี ถ้าเราประสงค์จะได้รับธรรมของพระองค์เราก็ระลึกถึงพระองค์ให้มากๆระลึกถึงพระพุทธคุณของพระองค์ให้มากๆเราจะเข้าใจในพระธรรมที่พระองค์ปฏิบัติตรัสรู้บอกสอนแต่งตั้งเปิดเผยทำให้ง่ายว่าผู้ที่เขาพ้นทุกเนี่ยเขารู้ตามอย่างไรนะเพราะถ้าเราอยากเห็นพระธรรมก็ต้องดูจากพระพุทธเจ้าถ้าดูจากพระพุทธเจ้าก็จะเห็น พระธรรมหรือไม่ก็ดูจากสาวกของพระองค์ว่าสาวกเหล่านั้นท่านได้รับมรดกธรรมจากพระพุทธเจ้าอย่างไรแล้วก็เช่นไรเนี่ยนะันถ้ามองจากศึกษาพระธรรมเนี่ยนะถ้ามองจากพระพุทธเจ้าและศึกษาไม่หนักแล้วก็สบายใจด้วยศึกษาแบบคนไม่รู้สึกอนาถาและกําพราแต่ถ้าเราศึกษาแบบเอาแต่พระธรรมอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจพระพุทธเจ้า จะเป็นคนที่ศึกษาแบบคนอนาถาสแสวงหาทรัพย์แบบคนอนาถาแต่ถ้า ศ, ศึกษาอย่างทางโลกเนี่ยนะแสวงหาโภกทรัพย์แบบคนอนาถาเนี่ยหาพวกทรัพย์ง่ายไหมคนอนาถาหาพวกทรัพย์หายากฉันใดตรงกันข้ามกับคนที่มีมีอะไรมีบุพการีเนี่ยนะมีผู้มีพระคุณคอยเกื้อกูลเนี่ยหาไม่ยากเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเขาจะบอกวิธีเราหมด อันนะเขาจะช่วยเหลือเขาจะเกื้อกูลเขาจะป้องกันช่วยปกปักรักษาเราให้เราได้รับประโยชน์สุขเท่าที่ที่ควรจะรับได้ฉันใดถ้าเราศึกษาพระธรรมหวังที่จะรู้ธรรมหวังที่จะเห็นธรรมหวังที่จะตรัสรู้ธรรมเราก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆในฐานะพระพุทธเจ้าผู้เคารพธรรมไม่มีผู้ใดเคารพธรรมเช่นกับพระพุทธเจ้าอีกแล้ว พระพุทธเจ้าในอดีตทั้งมวลล้วนแต่เคารพธรรมพระพุทธเจ้าที่จักมีต่อไปในอนาคตทั้งปวงล้วนแต่เคารพธรรมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรานี่เคารพธรรมมากานะพระองค์บอกว่าหลังจากที่ร롱ตรัสรู้ใหม่ๆเพราว่าผู้ที่ไม่มีที่เคารพเนี่ยนะเป็นอยู่ยากเป็นอยู่ยากคนที่ไม่มีที่เคารพไม่มีที่ยำเกรงนะลำบากมากเลยนะ กระที่เขาเรียกว่าคนมีอำนาจแล้วเสียคนนะนะอำนาจนี่เป็นเห็นให้เสียคนเนื่องจากอำนาจนี่ทำให้ตัวเองไม่มีที่เคารพไม่มีที่ยําเกรงคนที่ไม่มีที่เคารพไม่มีที่ยําเกรงเสียหายโดยมากเสียหายแต่ถ้ายังมีที่เคารพยังมีที่ยําเกรงเช่นพระราชาทั้งหลายเคารพยําเกรงในทศพิตราชธรรมพระพุทธเจ้ายําเกรงในอะไรพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนที่ถืออำนาจบาดใหญ่พระองค์เป็นคนที่เคารพ โลกุตระธรรมบูชาโลกุตระธรรมอะไรที่เป็นไปเพื่อโลกุตระธรรมพระองค์เกรงใจแม้ผู้ใดกล่าวธรรมพระองค์ก็เกรงใจเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นผู้ที่เคารพธรรมบูชาธรรมเทิดทูลพระธรรมพรนั้นพระองค์นั้นจึงเป็นผู้ที่แสดงธรรมอันประเสริฐดังที่กล่าวเมื่อกี้ว่าถ้าผู้ใดศึกษาธรรมมาแล้วเข้าใจยากแท้ทาไมเราไม่ค่อยเข้าใจพระธรรมเลยดูหน่อยว่าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ บ่อยไหมพอที่จะรู้ธรรมของพระองค์ไหมบางคนบางทีก็บอกว่ารู้ธรรมโดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้จักพระพุทธเจ้าบอกเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเราเข้าใจพระธรรมโดยที่ไม่อิงอาศัยพระพุทธเจ้าเราจะเอาพระธรม ร, ะธรมไปใช้ผิดผิดเอาพระธรรมไปใช้ผิดผิดเช่นเช่นอะไรเรียนรู้สภาวะธรรมแล้วเอาไปใช้ผิดผิดเราจะไม่เรียนเพื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งไม่เรียนเพื่อกาหนดรู้ธรรมที่ควร กำหนดรู้จะไม่เรียนเพื่อละทำที่ควรละจะไม่เรียนเพื่อเอจริญทำที่ควรเจริญไม่เรียนเพื่อทําให้แจ้งทำที่ควรให้แจ้งแต่ถ้าเราเรียนตามที่พระพุทธเจ้าบอกสอนแนะนําแต่งตั้งเปิดเผยเราจะเรียนเพื่อรู้ยิ่งว่าอะไรควรรู้ยิ่งอะไรควรกําหนด ร, รอบรู้อะไรควรละอะไรควรทําให้แจ้งแล้วก็อะไรควรเจริญอะไรควรทําให้มีอะไรควรทําให้มากอะไรเจริญแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อ ความสุขอย่างเดียวเราก็จะเริ่มมีอะไรอยู่ในใจคนที่ศึกษาธรรมะโดยที่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าจะมีแต่ความว่างเปล่าอยู่ในใจว่างจากอะไรรู้ไหมว่างจากสาระว่างจากสิ่งที่เป็นสาระคือศีลในใจว่างจากโพธิปัจจะธรรมแปลว่าโพธิปัจขยธรรมไม่มีอยู่ในใจเลยใจก่อนศึกษาฉันใดหลังศึกษาก็ฉันนั้นบางทีก่อนศึกษายังพอจะเป็นคนดีอยู่บ้างพอศึกษาเสร็จแล้วกลายเป็นคนเสียหายไปเลย กลายเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีสัมมากว่าจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะไม่มีอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวอกุศลธรรมทั้งหลายหนาแ น, น่นยิ่งขึ้นที่เป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่เคารพพระพุทธเจ้าจึงไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจอันคนที่เคารพพระพุทธเจ้ามากๆแล้วจะมีคุณธรรมทั้งหลายที่อยู่ในใจคุณธรรมที่อยู่ในใจนี่แหละจะช่วยปกปักรักษาเขา สมัยใหม่นิยมใช้คําว่าศึกษาพระธรรมศึกษาคําว่าศึกษามาจากคําว่าศิกขาสามศึกษาสามเนี่ยอย่างลงสูอ่อมะตะศึกขึาเป็นชื่อของอริยมธรรมะตัวนั้นเป็นชื่อของพระนิพพานการศึกษาศิกขาสามเพื่อบรรลุพระนิพพานศึกษาเป็นชื่อของมรรคสัจจะนิพพานเป็นชื่อของธรรมะเป็นชื่อของนิโรสัจจะ มันเป็นการศึกษาเพื่อบรรลุมรักผลนิพพานศึกษาเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมให้แก่ใจเราเนี่ยนะเราศึกษาอย่างไรศรัทธาที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นศึกษาอย่างไรวิริยะสติสมาธิปัญญาศีลเป็นต้นที่ยังไม่เกิดก็จะได้เกิดขึ้นปัญญาที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นสติปทานสัมมาปทานอิทิบาทอินทร์พระละโพชฌงและองค์มรที่ยังไม่เกิดก็จะได้เกิดขึ้นที่ยังไม่เติบโตบริบูรณ์ภัยบุ์ก็ เติบโตภัยบูนบริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปทําได้อย่างไรแล้วก็เจริญได้อย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นแบบเป็นแผนเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นเยี่ยงอย่างระลึกถึงโอวาทของพระองค์ได้บ่อยๆพันผู้ที่ระลึกถึงโอวาทของพระองค์ได้บ่อยก็แสดงว่ามีความรักในพระองค์มีความรักในพระองค์ก็คู่ควรที่จะรับอริยทรัพย์ของพระองค์ไปพันผู้ที่มีอริยทรัพย์ทั้งหลายก็คู่ควรที่จะพนทุกข์เหมือนบุตรที่ที่อะไรที่เ บุพการีมอบมรดกมอบทรัพย์มอ บ, บ, ม, อบมรดกให้ก็เป็นบทที่ไม่เดือดร้อนในเรื่องของทรัพย์มรดกโดยเฉพาะทางธรรมแล้วเนี่ยถ้าไม่มีไม่มีพระพุทธเจ้าเราไม่รู้จะอยู่กันยังไงยอย่างสมัยใหม่เนี่ยนะถ้าไม่อาศัยพระพุทธศาสนาแม้แต่กุศลกรรมบดก็ไม่รักษากันแม้แต่กุศลธรรมเพียงเล็กน้อยคือกุศลกรรมบดก็ยังเจริญกันไม่ได้ยังไม่คิดจะเจริญกันและก็ไม่คิดจะ รักษาจะกล่าวไปยญยถึงสติปัฏฐานเป็นต้นหรือโพธิปัจจยธรรมธรรมที่อยู่ในฝักฝ่แห่งการตรัสรู้พอยิ่งสมัยใหม่สรรเสริญปานาติบาทเนี่ยนะสื่อเพื่อแสดงออกมาซึ่งปานาติบาตเต็มไปหมดเลยเฟื่องฟูเจริญมากสื่อที่นำออกมาซึ่งอธินนาธานกาเมเป็นต้นเนี่ยนะสื่อเหล่าใดเเรียกว่า วิธีการผลิตทั้งหลายที่นํามาซึ่งการล่วงอกุศ ล, ลกรรมบทแพร่ระบาดเต็มที่วังนั้นเติบโตเต็มที่แต่สิ่งเหล่าใดที่นําไปซึ่งตรงกันข้ามเพื่อเว้นจากปานาติบาตเพื่อเว้นจากอาทินนาทานเพื่อเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารเพื่อเว้นจากมูสาวาตเว้นจากปิสุณาวาจาสื่อที่เว้นจากพุสววาจาสัมผัสปลาปะสื่อเพื่อส่งเสริมอาณาพิชา ส่งเสริมอภพยาบาตรคือเมตตาส่งเสริมสัมมาทิฏฐิคือสติปัญญารู้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยๆ อ, อ, อันตรธานออกไปแม้แต่กุศลกรรมมาบดยังอันตรธานจะกล่าวไปยายถึงโพธิปัจจยธรรมธรรมที่อยู่ใน ฝ, กฝักายแห่งการกระสรือพันยิ่งมนุษย์ที่อายุต่ำกว่าร้อยปีเนี่ยยากอกุศลกรรมบดแพร่หลายจริงๆ นะอกุศรกรรมบทแพร่หลายมากเมื่ออกุศลกรรมบทแพร่หลายมนุษย์สมบัติก็ไม่แพร่หลายเพราะฉะนั้นเหตุที่ทําให้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็น้อยลงจะกล่าวปยายถึงเหตุให้บรรลุมักผลนิพพานเหตุที่จะทําให้เกิดการตรัสรู้ทำเพราะผู้ใดหวังประโยชน์สูงสูงขึ้นไปควรที่จะใส่ใจถึงคุณของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เห็นพระธรรมเราก็เป็นสาวกของพระองค์เนี่ยนะ